ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะแล้วจะไปอ่านพระไตรปิฎกก็จะรู้เรื่องไปเรียนอพิธรรมก็รู้เรื่องนะไปฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็รู้หมดเลยสิ่งที่สอนให้มันเป็นแก่นเป็นหลักที่สำคัญของการปฏิบัติถ้าเข้าใจหลักแล้วนะไปฟังสำนวนแบบไหนนี่ก็เข้าใจหมดนก็รู้ว่ามันต่างกันที่สำนวน ใครสอนถูกใครสอนผิดฟังนิดเดียวก็รู้แล้วอย่างไปได้ยินใครสอนนะบอกให้รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างแล้ววันนึงก็มรรลุพระรหัส น, นีไจะรู้เลยว่าไม่ใช่อะทำจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นเส้นทางของพลมนะใช่เส้นทางของพระหรือให้คิดพิจารณากายไปเรื่อยเป็นวิปัสนาคิดไม่เป็นวิปัสนาเป็นวิตกวิปัสนาว่าเห็น เราเห็นของจริงในกายเห็นของจริงในใจความจริงของจริงในกายในใจพวกเราเห็นได้นะแต่เราล้าเลยที่จะเห็นอย่างร่างกายเราหายใจออกเรารู้สึกได้ไหมร่างกายเราหายใจเข้าเรารู้สึกได้ไหมร่างกายเรานั่งอยู่ร่างกายหันไปหันมารู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ทุกคนแต่ล้าเลยที่จะรู้สึกไม่รู้ว่าตรงนี้แหละของสาคัญ เราไปละเลยจุดนี้เราไม่รู้ว่านี่เือคือหลักของการปฏิบัติที่แท้จริงต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนคนทั่วไปมันละเลยที่จะรู้สึกทั้งที่รู้สึกได้นะก็ไม่ดูไม่ยอมดูไม่ยอมรู้สึกโมไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนคือการทำอะไรที่เหนือมนุษย์เช่นะนั่งสมาธิได้นานโต้รุ่งนะเดินจงกรมได้จริงห ล, หลายชั่วโมงนะไปดูที่เปลือก ที่เปลือกของการปฏิบัติส่วนแกนแท้แกนสารของการปฏิบัตินะั้นไม่เห็นมันการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้นะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานไปมันง่ายง่ายจนยากแต่เนะพราะเราไม่รู้ว่าของสําคัญอยู่ที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วดูกายดูใจทํางานไปเวลานี้พวกเรานั่งอยู่นะไม่ได้นั่งนิ่งๆ น, นั่งไปหายใจไป เราเห็นร่างกายมันหายใจคอยรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกตัวไปสบายๆอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกรู้สึกไปด้วยทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วอย่างทางจิตใจเงี้ยบางทีก็โลภเพิ่มมาบางทีก็โกรธบางทีก็หลงใครๆก็รู้จักโลภเป็นไงก็รู้โกรธเป็นไงก็รู้หลงเป็นไงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่เป็นยังไงก็รู้ ดีใจเสียใจอิจฉาพยาบาทนะกังวลเครียดรู้จักทั้งนั้นเลยสุขทุกข์นะก็รู้จักแต่เราลาเลยที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไรร่างกายมีอยู่จะรู้ก็รู้ได้แต่ลาเลยที่จะรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเป็นอย่างไรจิตใจมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้สึกว่าตอนนี้จิตใจเป็นอย่างไรนะ เราอย่าละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองการเรียนรู้ตัวเองนั่นแหละคือกรรมฐานละ่นะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจไปนะรู้สึกไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อบังคับเพื่อควบคุมเพื่อเอาชนะร่างกายจิตใจบางคนนั่งสมาธิปวดเมื่อยก็จะเอาชนะความปวดความเมื่อยนั่งทนไปเรื่อยนะให้หายปวด นานไปมันก็หายเพราะความปวดมันไม่เที่ยงแต่เราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเรากลับรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูนั่งได้นานนะกูดีกว่าคนอื่นซะอีกอย่างงีนะ้ยคือแทนที่ภาวนาไปจะเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจกับภาวนาแล้วกูเก่งกูเก่งนะอย่างนั้นภาวนาผิดไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้ภาวนาเ อ, สอาอสงบแต่ภาวนาให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้มันทํางานของมันไปเอง มันเสลนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันบังคับไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคือมองให้เห็นอันนี้จางทุกขังอนัตตาที่แสดงอยู่ในกายในใจนี่แหละนี่แหละเรียกว่าการเฉลิญวิปัสสนาลำพังเห็นร่างกายเห็นจิตใจเฉยๆแต่ไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะไม่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายความเป็นไตรลักษณ์ของใจเท่านั้นเท่านั้นนะ ถาไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามแล้วก็ไม่ใช่วิปัสนาหรอกนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ดูรูปนามนะดูขันห้าขันห้ามก็คือรูปกันนามนั่นแหละบางคนบอกไม่ดูรูปนามดูอายตนา6อายตนา6ตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปใจก็เป็นนามใช่ไหมหนีไม่พ้นหรอกบางคนบอกดูอินทรียี2สอนะอินรียี2สก็รูปนามอีกแหลนะคนบอกดูปฏิจจสมุ ป, ปบาทปฏิจจสมุปบาทก็รูปกันนามอีกแหละ อวิชชาเป็นรูปหรือเป็นนามเออนามอวิชชาปัจจะสังขารเป็นรูปหรือนามสังขารเป็นนามเป็นตัวเจตนาวิญญาณเป็นรูปหรือนามนามเห็นไหมวิญญาณอย่างลงเกิดนามรูปนามรูปเป็นนามเป็นรูปหรือนามเป็นรูปหรือนามเป็นนามอะไรรูป มีนามมีตาแล้วก็มีตาหูจมกูกลิ้นกายใจขึ้นมาก็รูปนามอีกใช่หไหมตาหูจมกูกลิ้นกายก็รูปใจก็เป็นนามนมีผัสสะภาษาเป็นรูปหรือนามอเอาให้แน่นะรูปหรือนามผัสสะเป็นนามธรรมมีผัสสะแล้วมีเวทนารูปหรือนาม นามใช่ไหมเนี่ยปฏิจจสุบตัตนะไล่ไปมีแต่รูปนามอินทรีย์2ีก็มีแต่รูปนามศรัทธารูปหรือนามวิริยะสติสมาธิปัญญาส่วนใหญ่นามนะงั้นพวกเราที่ดูจิตเนี่ยวู้์แตกฉันในธรรมะนะส่วนใหญ่นามดูปฏิจจสุบาทสิส่วนใหญ่เป็นนามนะในอินทรีย์22นะก็ส่วนใหญ่เป็นนามในขันห้าส่วนใหญ่เป็นรูปหรือนนาม น้ำอีกเห็นไหมโอ้เพราะงั้นใครจาว่าดูจิตไม่ดีว่าใครจะดูได้เยอะเท่านักดูจิตวนะเราดูนามาทาได้เยอะแยะเลยนะจะแตกฉานนะคอยรู้สึกนะถ้าเรารู้สึกตัวนะเราก็จะดูกายดูใจได้ก็จะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณไดนะ้เราใจลอยรู้จักใจลอยไหมนะใจลอยนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งเลย เวลาที่ใจลอยนะมีร่างกายก็ลืมใช่ไหมอย่างเวลาใจลอยอยู่ยุงกัดไม่รู้เลยนะใ จ, ใจลอยไม่รู้เรื่องใจลอยไปนะคิดไปจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วไม่รู้หรอกนะไม่รู้ไม่รู้กายไม่รู้ใจเวลาใจลอยศัตรูเนียเบอร์หนึ่งเลยลืมตัวเองลืมกายลืมใจศัตรูเบอร์สอง ของนักปฏิบัตินะของนัก ร, รมวิปัสสนานะคือการเพ่งกายเพ่งใจหรือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนทั่วๆไปที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยมันจะลืมตลอดเลยมันจะหลงใจมันจะลอยล่องลอยไปฟุ้งซ่านไปนะเรียกย่อหย่อนตลอดเวลาพวกที่ไม่ปฏิบัติส่วนนักปฏิบัติที่ไม่เป็นนะมันจะเพ่งตลอดเวลาบังคับกายบังคับใจนะคนที่เภาวนาไม่เป็นนี่ก็สุดโตงไปข้าง กามสุขาลิการุโยกเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคนที่มาลงมือปฏิบัตินั้นก็จะสุดโตมาข้างอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจเวลาเราคิดถึงการนั่งสมาธิรู้สึกไหมเราบังคับกายบังคับใจนั่งต้องนั่งท่านี้อย่างขนาดนี้ทุกคนนั่งอย่าขยับนะทุกคนนั่งอยู่ใช่ไหมนั่งตอนนี้เนี่ยบางคนเกาหัวด้วยถามว่านั่งสมาธิได้ไหมได้ ก็ให้จิตมันมีสมาธิสิสมาธิไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนี่มัอยู่ที่ว่าจิตมันมีสมาธิไหมถ้าจิตมันมีสมาธินะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีสมาธิทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าต้องไปดัดแปลงนั่งก็ต้องนั่งท่านี้เดินต้องเดินท่านี้อันนั้นดัดแปลงหมดเลยบังคับกายพอบังคับกายเรียบร้อยก็จะเริ่มบังคับใจทาใจให้นิ่งๆทื่อๆซึมๆบางคนก็ให้ให้เครียดไปเลยนะ บ, บังคับบางคนก็ทำให้เบือเบือแกล้งบังคับใจแกล้งดัดแปลงจิตใจทดลองดูว่าจริงหรือเปล่าต่อไปนี้ให้ทุกคนนั่งสมาธิ mm. นั่งเห็นไหมยืดตัวตรงกันเป็นแถวเลยเหไหมตอนนี้นั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่มีสมาธิใช่หไหม mm. นั่งท่าไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกั บ, บวนท่าแต่นั่งตัวตรงๆมันจะนั่งได้นานไม่ปวดหลังมากานั่งสมาธิเสร็จ ขยับร่างกายเรียบร้อยสังเกตดูเริ่มขยับใจให้นิ่งรู้สึกไหมเพราะฉะนนรวมความนักปฏิบัตินะบังคับกายบังคับใจสุดโต่งไปข้างอัตตะกิลมัฐานโยกการบังคับกายบังคับใจมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงที่ว่าร่างกายไม่สามารถแสดงไตรลักษณ์ได้อย่างที่ควรจะเป็นจิตใจไม่สามารถแสดงใจลักษ์ได้อย่างที่ควรจะเป็นอย่างจิตเนี่ยมีปกติเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็ไปรวบจิตเที่มให้นิ่งคงที่อยู่นแะแทนที่จิตจะไม่เที่ยงกลายเป็นจิตเที่ยงครแทนที่จิตจะเป็นทุกข์นะกลับเห็นว่าเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้กลับรู้สึกกูเก่งกูเก่งกูควบคุมเอาไว้ได้แล้วนะเนี่ยมันเป็นศัตรูของนักปฏิบัติตรงนี้เองการบังคับกายบังคับใจทําให้ไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นกายเห็นใจไม่เห็นนะเวลาใจลอยน่ะไม่เห็นกายไม่เห็นใจแต่ว่าเวลาเพ่งเวลาบังคับตัวเองนะ มันจะเห็นกายเห็นใจแต่จะไม่เห็นไตรลักเพราะกายไม่แสดงความแปรปรวนให้ดูจิตใจไม่แสดงความแปรปรวนบังคับไม่ได้นะและศัตรูเบอร์หคือความหลงไปเผลอไปศัตรูเบอร์สก็คือการไปเพ่งไว้บังคับไว้ควบคุมไว้แทรกแซงกายแทรกแซงใจให้เราเรียนรู้2 ส, สิ่งนี้ให้ชํานี้ชำนานนะตอนนี้ใจเราเผลอไปให้รู้ทันใจเราไปเริ่มซึมซึมทื่อแล้วเริ่มแข็งแข็งแล้วให้รู้ทัน เดี๋ยวก็หย่อนเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็หย่อนเดี๋ยวก็ตึงอย่าไปบังคับให้มันตึงอยู่กับที่เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อยพอรู้ปุ๊บก็เพ่งเพ่งก็ตึงไปคนทั่วทไปนะจิตมีแบบเดียวคือหลงกะหลงกะหลงกะหลงไปเรื่อยนะเผลอเอเผลอเอทั้งวันนะะคนที่ไม่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัตินะมันก็มีหลายระดับพวกปฏิบัติใหม่ๆก็เผลอไปแล้วก็รู้ว่าเผลอนะ เนี่ยอันที่หนึ่งเผลอไปจิตเป็นอกุศลอันที่สองรู้ว่าเผลอจิตเป็นกุศลเลยอันเนี้ยอันที่สมกลัวจะเผลอไปเพ่งเอาไว้ะจิตเป็นอกุศลตัวใหม่อีกละเครีดเครียดขึ้นมาไม่จะไปเผลอแล้วก็รู้แล้วก็ไปเพ่งเผลอรู้แล้วก็เพ่งเนี่ยหัดใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ต่อไปพอชํานาญนะจะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะพอฝึกถึงขีดสุดไม่มีคําว่าเผลออีกต่อไปมีแต่รู้รู้รู้รู้รู้นะ ในขณะที่เริ่มต้นเลยคนไม่เคยฝึกมีอยู่อย่างเดียวคือหลงหลงหลงลงเผ ล, อ เ, ลอเผลอเลอตลอดนะตอนหันใหม่ๆจะมีสามารถเผลอไปแล้วรู้แล้วก็เพ่งเอาไว้เผลอแล้วรู้แล้วก็เพ่งเอาไว้เป็นธรรมดาที่จะเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามันหรอกค่อยรู้ทันมันไปเรื่อยๆใครใจลอยบ้างรู้สึกไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหมอไหม เมื่อมือไปใจลอยไปนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งนะแล้วก็พอบังคับตัวเองร่างกายก็เครียดเครียดใจก็เครียดเครียดนี่ศัตรูเบอร์สองวันนี้ไปให้พี่เลี้ยงเขาสอนนะว่าสภาวะที่ผิดสองอย่างนี้เป็นยังไงถ้าเรารู้จักสภาวะที่ผิดแล้วเนี่ยสภาวะที่ถูกจะเกิดขึ้นเองอย่าพยายามทําสิ่งที่ถูกพยายามทําสิ่งที่ถูกเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นตึงเครียดเกินไปทุกครั้งนะ ให้รู้เวลามันผิดแล้วมันจะถูกเองโดยไม่ตึงเครียดนะวันนี้ให้พี่เลี้ยงพ่อสอนตรงนี้นะคือก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาได้เราต้องปรับจิตของเราให้มีคุณภาพซะก่อนจิตที่มีคุณภาพคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้จิตจะมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงในขณะนั้น นะรู้เนะื้อรู้ตัวสบายๆนะค่อยๆไปเรียนค่อยๆไปรู้ตัวนี้สําคัญนะถ้าเราปรับจิตปรับใจของเราให้มีคุณภาพได้แล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้การเรียนเพื่อปรับจิตปรับใจตัวเองให้มีคุณภาพเนี่ยอยู่ในบทเรียนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าจิตสิกขาถ้าปราศจากจิตสิกขาอย่ามาคุยอวดเลยเรื่องปัญญาสิกขานะเป็นไปไม่ได้หรอกเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญาไม่มีหรอก ก็จะรู้สึกว่ามรรคผลมันเป็นไปไม่ได้จริงเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นต้องปรับจิตใจให้มีคุณภาพซะก่อนนี่นี่บทเรียนนี้ชื่อจิตสิกขานะถ้าจากจิตสิกขาถึงจะขึ้นถึงปัญญาสิกขาวิธีรู้ความจริงของกายของใจส่วนจิตสิกขาเนี่ยเป็นวิธีปรับจิตใจนะให้มีคุณภาพในการรู้นะ พอจิตใจมีคุณภาพในการรู้แล้วก็รู้วิธีที่จะรู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องอันนั้นเรียกว่าปัญญาสิกขาหลนะังจากนั้นก็จเจริญปัญญาเรื่อยๆไปพอมันแก่รอบจริงๆนะก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นดังนะนั้นบางทีนะละเลยคือปัญหาใหญ่ของวงการปฏิบัตินะคือละเลยเรื่องจิตศิก ข, ขานี่แหละบางทีก็เอาแต่นั่งสมาธินั่งเรื่อยเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบไม่เคยเรียนเรื่องจิต ก็กลายเป็นสมาธิเพ่งหรือเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้ามีสติก็เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นอารามณูปนิชานนะเพราะว่าเอาก็จะนั่งสมาธิลูกเดียวนี่ก็ไม่รู้ว่าสมาธิมีอะไรแบบนะไม่ได้เรียนจิตศิกขาอีกพวกหนึง่งนึกจะปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเลยกําหนดรูปกําหนดนามไปเลยนะจิตไม่มีคุณภาพเราคิดอย่างเดียวเลยนี่พองหนอนี่ยุบหนอก็คิดเอาทั้งนั้นนะไม่ได้เห็นสภาวะ ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เห็นสภาวะอย่างเดียวยังไม่พอนะเห็นสภาวะอย่างเดียวเป็นสมถะนะเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเป็นสมถะนะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนานะงั้นต้องเรียนนะเรียนให้แจ่มแจ้งวิธีฝึกจิตให้มีคุณภาพในการรู้ทํำยังไง นะวิธีที่เอาจิตที่มีคุณภาพในการรู้แล้วไปเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจคือเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะจะทำอย่างไรนี่มีวิธีทั้งสิ้นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเรารู้วิธีเหล่านี้แล้ ว, ลวการปฏิบัติเนี่ยนะสั้นนิดเดียวเลยเราะเราไม่ต้องไปทำผิดผิดถูกๆเสียเวลานะเอาวันนี้เทศขนาด น, นี้ก็พอแล้วนะเทสมากกว่านี้พวกมาใหม่ๆทนไม่ไหวยากไป ใครจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนกาบธรรมสั ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเ อ, อช่วงช่วงหลังที่ปฏิบัติเนี่ยมีความสึกว่าเวลาทุกกระทบปั๊บเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราจะรับไว้หมดแล้วเราก็หนักรู้สึกหนักมากตอนเนี้ยเหมือนกับว่าพอมาปับ๊บมันเหมือนมันพยายามที่จะเหมือนแผ่นหนังนิ่งๆคือกระทบแล้วมันเด้งออกปับ๊บเราจะเบาลงเยอะเลยอืม คือไม่เราไม่รับแล้วคือตอนนี้นั้นเหมือนว่ากระทบแลเรารู้มันกระทบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราก็ตามดูปกติปัญหาอยู่ที่ว่าจิตยังไม่เป็นกลางอย่างแท้จริงนะจิตยังมีโทสะเจือ<ช>เวลากระทบน ะ, ะให้รู้ทันตัวนี้นะะจะได้ก้าวหน้าต่อไปมันจะเข้าไปในหลักที่หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะจิตน่ะตั้งมั่นแล้วแต่ยังไม่เป็นกลาง<ะ>ให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางแล้วเขาจะกลางของเขาเอง เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนจะเรียนจากสิ่งที่ผิดนะอย่างเราจะต้องการให้จิตเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่ไปทำจิตให้เป็นกลางแต่ให้เรารู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางเราอยากให้จิตตั้งมั่นเราก็ไม่ได้ไปทำจิตให้ตั้งมั่นให้เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปเรารู้นี่มันจะตั้งเองนี่เป็นเรียนกลับข้างนะเรียนแบบกลับข้างไปทำต่อทำความสงบทำความสงบบ้างนะ และยังฟุ้งเก่งอยู่ทีนี้เวลาทําเนี่ยบางทีเราสึกถึงเวทนาที่กายเวลาดูกายเนี่ยจะไปเกลียนมันแล้วเราก็พยายามมาดูจิตอีกทีเพามันไม่เกี่ยวกันมันหงุดหงิดนะใช่ให้รู้ทันจิตที่หงุดหงิด ต, ตัวเนี้ความหงุดหงิดน่ะแทรกอยู่ในเวลาปฏิบัติไพ่รู้ทันเอาอมาสการค่ ะ, ะก็ทิ้งมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็หลังๆเพิ่งจะเริ่ม เหมือนกับว่าจับได้บ้างไม่ได้บ้างพอทำเข้ารูปแบบจริงมันจะรู้สึกตึงๆหนักๆแรกๆตึงไว้ก่อนไม่เป็นไรนะเรารู้ว่าตึงเดี๋ยวมันค่อยพอดีทีหลังเบื้องต้นจะให้พอดีนี่จะหย่อนไปตึงไปก่อนแล้วก็รู้ว่าตึงก็จะคลายออกแล้วพอดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะมาได้ดีแล้ว ช่วงแรกเหนื่อยหน่อยถาจิตมันจะดิดดิน้นนี่เราจะไปให้มันอยู่นะไม่ต้องสู้กันมันเหนื่อยหน่อยนะช่วงแรกๆต่อไปมันจะเบาสบายขึ้นสบายขึ้นหรอกต่อไปนะโลกมันห่างเราออไปนะโลกมากกระทบไม่ถึงใจเราโลกนี้เป็นของแปลปรวนตลอดเวลาใจเราไม่กระทบไม่ทูกหรอกค้อยๆฝึกไปอดทนนะคำว่าอดทนอย่าลืมนะ ต้องใช้ตัวนี้เยอะอกบนวัสงารหลวงพ่อเจ <F ung S 1> ้าเจ้ฟุ้งซ่านไหมจิตฟุ้งซ่านหรือจิตสงบการตั้งแต่เมื่อวานเท่าที่ดูตัวเองก็คือรู้สึกวัดโล่งโปร่งสบายขึ้นค่ะอ๋อสบายมีโมหะไหมหรือสบายแบบรู้ตื่นเบิกบานสบายแบบซึมซึมไหมก็มีบ้างเพราะว่าเมื่อวานไอแล้วรู้สึกว่ามันมันตึง ไองกายคไอแ<อ>ต่ใจนี่สบายแต่รู้ออว่ากายตัวเองนี่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ออรู้ว่ากายกับใจโค่น้านฝึกไว้ดีนะเวลาเราจะตายอ่ะร่างกายทุกทรมานนะแต่เราเคยฝึกชำนี้ชํานาญจิตใจไม่เดือดร้อนกายกระใจโค่าล้านกันเพราะว่าพอไอเสร็จก็รู้ว่าร่างกายตัวเองเหมือนจะไม่ไจิตมันจิตมันหลงไปนะจิตมันไม่ตั้งมั่นหรอก พอร่างกายเหนื่อยนะจิตมันไม่มีแรงไปด้วยนะก็เลยแฉลบไหลๆๆไปไดี๋ยวรู้สึกว่าใจมันก็ร่องๆแต่พ่อมันร่งแต่มันมันไม่อยู่กับฐานหรอกมันหนีไปกายรู้ทันแล้อ่ะต่อไปกลับนมัสการครับโปรดให้หลวงพ่อเมตตาเลยค่ะหลวงพ่อก็เมตตาอยู่แล้วล่ะต้องไงอ่ะ ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนั่นแหละธรรมะมันไม่มีเรานะค่อยหัดรู้หัดดูร่างกายไม่ใช่เราจิตใจเนี่ยเผลอขึ้นมาคิดขึ้นมายังมีเราครับมีเราขึ้นมาก็รู้ทันว่ามันมีเราอยู่มันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันหดหู่ดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเจริญปัญญาเรื่อยไป อย่าให้เฉยเนืยแบบรู้ตัวอยู่เฉยๆนะ mm hmm. ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไป mm hmm. เอาต่อไปใครจะส่งกันบ้านเอาเท่าที่จำเป็นนะส่งเยอะหลวงพ่อเสียงแหบเสียงแห้งพวกถามมากไม่ค่อยภาวนา mm hmm. อ่าวว่ามากรับนวัตการค่ะหลวงพ่อเครียดไหมบางครั้งเครียดค่ะเ อ, อ้พอนาต้องสบายใจนะค่ะ วันน้าเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ไปบังคับกายบังคับใจการที่เครียดนะี่ยเพราะเราไปบังคับกายบังคับใจแต่ถ้าเราต้องการเห็นแค่ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงจะไม่เครียดหรอกนะ <c oughs> รู้สึกไปสบายๆอา้าวถามลืมไปตอบลเลือกลูกเดียวช่วงนี้ก็รู้สึกรู้ได้เร็วมากขึ้นค่ะแต่อย่างที่หลวงพ่อว่า <c oughs> เวลาโยมนั่งสมาธิก็รู้สึกบังคับเดินนะมันตึงต่ตรงนั้นแหละให้รู้ทันเอานะค่ะ เราต้องการรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจอย่าไปบังคับเขาธรรมส ก, การครับหลวงพ่อในคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ผมไปดูความอยากอะครับเออก็ผมส่วนใหญ่ผมจะโดนความอยากข้อมงํำมากกว่าถูกไม่ค่อยรู้อะครับแต่ว่าก็รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างเวลารู้ก็ไม่โดนครอบก็ยังดีที่มีเวลารู้ตัวบ้างครับฝึกให้ชำนี้ชำนานต่อไปความอยากอะไรผุดแวบบเห็นเลยนะ ค, ความอยากนี่นำความทุกข์มาสู่ใจเราครับนะคือศัตรูจริงๆของเราเลยนะเป็นศัตรูที่แท้จริงในชีวิตของเรามันนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ใจเราเราะนั้นเวลาความอยากเกิดขึ้นให้รู้ไวๆนะไปดูต่อครับขอบคุณมากครับรู้สึกว่ากูเก่งม้งไหมรู้สึกครับเออนั่นแหละไปดูตัวนี้ด้วยนะมันเก่งขึ้นทุกทีแล้นะ <laughs> มาตรการครับหลวงพอ่อไม่ทราบว่าที่ผมปฏิบัติทุกันนีนี่ยังถูกต้องอยู่ไหมครับหลวงพอ่อถูกนะไปทาอีกนะค่อยฝึกไปจิตเราค่อยเป็นตัวรู้ขึ้นมาถาจิตมันเป็นตัวรู้อย่าไปบังคับมันนะอย่าไปจริงจังหักโหมว่ามันมากไปให้ดูมันไปสบายๆนะอย่าทิ้งคำว่าสบายนะดูไปอย่างสบายใจดูกายมันทำงานอย่างสบายใจดูจิตใจทำงานอย่างสบายใจ เห็นมันโลภเห็นมันโกรธเห็นมันหลงรู้ไปอย่างสบายใจนะรู้สบายๆอย่าไปหักหารกับมันขอบคุณครับหลวงพอ่อวันสุดท้ายแล้ววันนี้กราบนรรมสการ์ครับผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อตั้งแต่ห้าสี่ครับแล้วก็เพิ่งมีโอกาสนั่งอยู่ตรงนี้ได้ส่งการบ้านนี่เป็นครั้งแรกครับมันไม่สำคัญแนละ้ จะส่งกันบ้านเมื่อไหร่จะมาหรือเปล่านะครับผมสําคัญว่าฟังซีดีแล้วได้ภาวนาไหมคือตอนเช้าเนี่ยผมตื่นตีห้ามาผมก็ขวาดห้องทําไมตื่นสายจังมาสวดมนต์ไหว้พระทําวัดเช้าแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวไปทํางานครับอ๋อดีดีแล้วตอนเย็นก่อนนอนก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็แผ่เมตตาออืวันไหนนั่งสมาธิได้ผมก็นั่งเออแล้วกลางวันทําอะไรถ้านั่งหลับ ผมไม่ไหวผมก็จะนอนเลยครับเออแล้วกลางวันจะทำอะไรกลางวันก็ไปทํางานครับเล่าเช้าเล่าเย็นแล้วกลางวันครับไปทํางานก่อนไปทํางานนี่ก็จะสวดมนต์ก่อนขับรถไปทํางานทุกครั้งดีดีแล้วเวลาช่วงที่อยู่ในเวลาทํางานเนี่ยบางวันจิตเหมือนผมดูจิตดูใจตัวเองอย่างเงี้ยเออบางวันก็เบิกบานบางวันก็เศร้าบางวันก็เฉยเฉยก็ทื่อๆเออบางวันเบื่อหน่ายมากเลยเออ ยังวางก็เหมือนไม่รู้อะไรเลยครับ อ, อทำถูกเนาะครับมีมีความสุขความทุกข์บ้างแต่ถ้าอามีอารมณ์มากระทบกับจิตใจเนี่ยเวลาความความทุกข์มันไม่พอใจนี่มันจะอยู่นานอย่างเงี้ยครับออแล้วเวลาย้อนกลับมาเหมือนมาดูตัวเองแล้วมันฟึบแล้วมันจะนิ่ ง, ง, งๆเฉยอย่างเงี้ยออก็เกลีดูความทุกข์เกิดนะเราไม่ชอบมันอยากให้มันหายเร็วๆมันไม่หายหรอกมันยิ่งนานใหญ่ ถ้าดูด้วยใจเป็งกลางรู้ปุ๊บหายปั๊บครับแล้วเหมือนมันไม่ก้าวหน้าอะไรเลยครับหลวงพ่อทำไมมันจะไม่ก้าวหน้าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนใจไม่เหมือนกันดูออกไหมครับผมนั่นแหละก้าวหน้าไม่ก้าวหน้ามันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมสิะเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคราร์ครับผมโอนั่นแหละก้าวหน้าเห็นเปล่าว่ากิเลสกับใจก็โคลารเห็นครับโอ้แล้วยังไงไม่ก้าวหน้าอีก แต่มันออมันก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนที่ปีแรกๆที่ฟังนะครับเออมันเหมือนอย่างนี้แหละดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเหมือนเดิมนี่แหละหลวงปู่มั่นนาะสอนอย่างนี้นะว่าภาวนาเนี่ยเหมือนคนทํานาทํานามก็ทําอยู่ที่เดิมทุกปีนะ อ, อถึงเวลาฝนตกก็ไปไถานาไถานาไปหวานข้าวดูแลน้ํำมากน้ําน้อยดูให้พอดีแล้วถึงเวลาก็ไปเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยทุกปีก็ทําเหมือนกันอย่างนั้นแหะการภาวนาก็แบบนั้นแหละ ดูซ้ําดูซากหิวนั่นแหละจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงนะแล้วมันจะปล่อยวางเขาปล่อยของเขาเองนะเราปล่อยยังไม่ได้จิตเขาปล่อยวางของเขาเองเรามีหน้าที่ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกดูจนจิตมันยอมรับความจริงอย่างตอนเนี้ยใจเรายังยอมรับความจริงไม่ได้นะยังมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ยังเกลียดมันเใช่ไหมใช่ครับเอ้นั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงอะ่ะอยากให้หายเร็วๆเนี่ยเราต้องดูจนกระทั่งมันยอมรับความจริงอ่ะ มีเหตุก็มีทุกไปนะพอรู้ปุ๊บมันก็ขาดไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราดูจนักใจยอมรับความจริงนะซ้ําแล้วซ้ําอีกบางคนใจไม่ดือ้อดูแป๊บๆก็อยอมรับความจริงแล้วบางคนใจมันดือ้อต้อดูนานนะแต่ละคนดื้อไม่เท่ากันหรอกเขาคุณเป็นคนดื้อไหมดื้อยู่ครับโอ้ก็ต้องดูนานหน่อยนะเราเป็นคนดือ้อว่าต้องดูนานหน่อย มันจะนหายดือ้อมันไม่ค่อยอยากเชื่ออะไรง่ายๆครับหลวงอนานๆอย่างนั้นแหละดีจะได้ดูนานๆ <c oughs> <c oughs> ดูมันเข้าไปสุดท้ายความจริงมันจะสอนเราเองครับผมใครก็สอนเราไม่ได้เพราะเราดือ้อเราก็เอาความจริงมาสอนเราเองดูไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงเห็น ไ, ไหมในจิตในใจเราเนี่ยในร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความแปรปรวนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความบังคับไม่ได้ นะดูเข้าไปจนกระทั่งดื้อแค่ไหนก็ต้องยอมรับความจริงเข้าสักวันหนึ่งแหลนะดีดื้อๆจะได้ขยันดูขยันไหมหรือขี้เกียจ ด, ดูแต่ละวันไม่เหมือนกันครับหลวงพ่อโอ้อยางนี้สิมันดูจริงขยันก็ไม่เที่ยงเนาะครับผมขี้เกียจก็ไม่เที่ยงขี้เกียจเนี่ยไม่เที่ยงหรอกอยู่ได้ทั้งวันเลยแต่หลวงพ่อครับถ้าเกิด เราทำอะไรไปเราจิตหนีไปคิดนี่เรารู้อย่างี้นี่มันถูกห้ามห้ามไปคิดไม่ได้นะให้มันไปคิดบางครั้งพิจารณาแต่และเรื่องเนี่ยสมมติว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตอย่างนี้ ม, มันไปวนคิดอยู่จนมันจบอย่างงี้หรือว่าพอรู้ว่ามันคิดแล้วมันตัดปุ๊บลงไปแล้วไม่ได้มไม่ได้เวลามีปัญหาทางโลกนะต้องคิดให้มันจบไป ไม่ใช่ไปไม่ยอมคิดไม่ยอมคิดไม่ได้แก้ปัญหานะคน<ร>ละอันกันปัญหาทางโลกกับปัญหาทางธรรมปัญหาทางโลกไปคิดแก้ไขเอาใช้เหตุใช่ผลอย่าใช้ความรู้สึกส่วนปัญหาทางธรรมนะก็รู้เอารู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆไปไม่ต้องไปคิดดูของจริงเช่นความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับไม่ต้องคิดมันก็ดับความทุกข์มามันก็ดับไปไม่ต้องคิดมันก็ดับเนี่ยดูของจริงอย่างนี้ในทางธรรมนะ ใ น, ในทางโลกไปคิดให้จบเรื่องแก้ปัญหาให้ตกแต่คิดด้วยจิตใจที่มันเข้มแข็งนะจิตใจมีสติมีปัญญาไปแก้ปัญหาชีวิตเอาคนละอย่างกันนะทางโลกต้องคิดนะแต่คิดแบบมีเหตุมีผลทางธรรมว่าดูของจริงอย่าไปเอาแต่คิดเอาไม่ได้เห็นของจริงความคิดไม่ใช่ความจริงไปดูเอานะใช้ได้อยู่ไปทำอีก ครับผมขอบคุณครับเจนวันหนึ่งมันหายดื้อมันดื้อไปไม่ไหวหรอกมันทุกอต่อไปข้างหลังมีแถมมาสการครับหลวงพ่ออืมมาจากไหนน่ะคนเนี้ยผมมาจากหลมชะบังครับเราใกล้นิดเดียวนะทําไมเพิ่งมาผมมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณปีหนึ่งเต็มเผมปฏิบัติทุกวันเลยเออดีครับผมแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นมากเลยครับชัดเจนเลย ออฝึกไปนะแรกๆเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเยอะนะมันเหมือนเราอยู่ในที่มืดตืต้อๆเลยจุดไม่ขีดขั้นเดียวก็รู้สึกสว่างมากนะต่อไปเหมือนเราอยู่ที่สว่างเงี้ยจุดไม่ขีดชักจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วเพราะฉนั้นช่วงแรกๆจะเห็นพัฒนาการเนี่ยมากภาวนาไปแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนช้าๆนะไม่ต้องตกใจหรอกรผมมีข้อสงสัยอยู่ข้อนึ่ะครับคือเวลาที่เราจะดูว่า สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดนําหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเราเห็นจริงๆอย่างเงี้ยผมผมผมสงสัยตรงเนี้ผมไม่รู้จะจะให้ให้รู้เล ย, ย, ยให้รู้เลย<ไ>ว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่นะรู้ลงปัจจุบันเลยไม่ต้องไปคิดแยกมันหรอกถ้าจิตของเรามีสมาธิพอสงบตั้งมัน่นพร้อมจะแยกออกนะไม่งั้นหลวงพ่อต้องมานั่งตอบจีระอ่านอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เนี่ยมันจะทั้งวันเลยมีเรื่องอย่างนี้ทั้งวัน ให้คอยรู้ทันว่าตอนนี้จิตกำลังฟุ้งซ่านจิตสงสัยนะรู้ลงปัจจุบันไปแล้วไม่พลาดหรอกถ้าเรารู้ลงปัจจุบันนะจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นเราจะแยกออกไอ้นี่คิดเอาหรือไอ้นี่รู้เอานะใหม่ใหม่เป็นปัญหาอย่างนี้ทุกคนนะ่ะสงสัยไว้ที่รู้เนี่ยจริงหรือเปล่าหรือว่าคิดเอาเองนะครับไปทําอีกนะครัขอบคุณครับหลวงพ่อวันนี้เท่านี้เชิญกลับบ้าน